ฝันยังไงไม่รู้ในฝันว่ามูขึ้นบ้านเข้ามาเลื้อยพันร่างกายเราไว้ทั้งนานแล้วเลื้อยลงบ้านไปครั้นพอรุง่งอีกวันเอาฝันไปถามปู่ใหญ่คันก็บอกตามแบบโบราณเขาว่าไว้ว่าจะมีกู มาเจองูใช่เธองูแน่แน่ฝันยังไงไม่รู้ ไมฝันว่างูขึ้นบ้านเข้ามาเลือ้อยพันรากกายเราไว้ตั้งนานแล้วเลือ้อยลงบานไปครั้นพอรุ่งอีกวันเอาฝันไปถามผู้ใหญ่ท่านก็บอกตามแบบโบราณเขาว่าไว้